เ้าเฝ้าเออเฮ้าเฝ้าเฝ้าเท่านาเอาเฝ้าเท่าเวลามันขอดมันเสียวมื่อแล้วเวลาเทานี่นะมันขอดมันเสียวลงแล้วนะเท่าเทาลงไป็คืนนี้คืนมือว่าโอ้ยนี่เศร้าคนเอาไหร่เลยบ่เท่าเราก็บ่อะไรมันเ้าเลยดึงมันจองตลอดเลย พอศึกษดว่า้อเก่งอยู่ไเอีกยลอีกหลายหลายลยไปคิดว่าเนื้อหลายเนี่ยยามผลตกแมม่แม่ย่เนี่ยไปกบไดเนี่เฝ้าต้อมมัน่หัวใจนี่ต้อมอยู่นี่ละอยู่ตรงันนี่ละเอาเป็นสี่ให้มันครบผูครบ้นทั่างกายัใจเสี่ังสีได้ฝ่าหนึงคนหนึงนี่ยเขาก็เอมว่าปีนึงไมเานี่ เดืนนี้มันจะเป็นครบปีฝนตกแมแ ม, แ ม, แ ม, แ ม, แมเรืร่องสิบางต้านก็ว่าโอยเดือดร้อนหลายมันชื้นมันแขะทุกันไปยหกมาหนกสำหรับข้าวให้ท้าวหน้าดีหลายคนปากตกนี่เดี๋ยวให้หน้านี่ซัดเล็กซัดหน่อยมันจะได้เวลาได้โอกาสมีเเนไปเล่น มันดินออกแม่แท้ลูกในพวกจัดจางๆก็ได้คือท่นท่านยาา่ า, าอาหารเข่าปลาอาหารไม่เห็นเมื่อติดเด็กปงได้งได่งามมันดีมันมีส่วนดียุคแต่ว่าใ้ส่วนดีนี่แหลมนีม่พดีกับ น, นี่นะนี่ฝนตกหลายโขมสดข่วมบ้านข่วมเฮือนเอาดินมเมื่อยไปบานพ้นทับค้นทับปูทับพ้นตายอะไรเงี้ยแต่นี่นะฮะนีดีนั่มนบ่ดีนั่ม ผ น, น, นทุกเงื่อนสิจะเป็นเอาโลกเสื่ อ, อโลกเอาไข่ไข่หมากไครวัดไข่อะไรเนี่หยหรือไข่ก็ได้สามารถเป็นระยะที่เป็นโลกเป็นโลกเป็นไข่ทั้งรับเข้านี่จะเข้าใจทั้งที่อะกันนะหาเอาจะวางมันดีๆแล้วมันมีทั้งดีทั้งบดีน่ะเขาไข่มามื่นหนึ่งเนี่ยไข่ซ้ําๆกันเลยมันเท่าจิต เอาไปกิ่นคือคือคือคือหันใจกินหันใจไปหันใจไม่ก็ห่อน่อแรงนี่ได้ละสีอะไรนั้งกต่สีมนกินน่ะละมืดน่ะใช้กานเทาซ้อมเนี่ยซ้อม่มหันใจซ้อมมือมือจะขอกำหนดคิดกำหนดใจไว้ให้มันนิ่งนิ่งสงกมีใจสิมันก็จะได้ประโยชน์เน่เท้าซ้อมใจไว้โดน ใจมันมีกำลังตัะใจมันคุ้นใจมันพรมมันเย็นบ่อห่อนบ่ห้นบ่กระชับกระชายบ่อหยาบบ่อหวานบ่เก๋งยั้งเนี่ยเมื่อใจมันมีกำลังมันแข็งใจแข็งแรงปัญใจแข็งแรงเราดีเมื่อดอกปัญใจมันอยู่ดีนิ่งสวบแล้วมันเสลียวสลาดแต่ถืเกิดหึือไม่ในฮันหลัง ยังน่อยเศรษฐีมูจักซ่อมเจ้าของตัวซ่อมเจ้าของมูจักเจ้าของว่ามเจ้าของอันใดดีอันใดบ่ดีมันมูจักเลยเด้โอ้หันใจมันออกไปมันห้่นตัวมันพรอนมันห้นตัวมันได้แท้เขาสงบใจนี้เฉพาะมันดีแล้วแม่ผู้บาอาจารย์เพิ่งจะย่องว่าดีแล้วแน่สิ่เข้าไปสิงมูจักบานี้สิ่บุกมูจักดอกมองที่นมะส้นมะเพลิงบุกมูจักแบบ มันใจสงบเองใจสูงชัวโมันอยู่วางหนุ่มมองเพิงเขามาีมแต่ใจว่าทราบผู้อืน่นเดีเาา๋ยวไปเดี๋ยวไปหาผู้อื่นอยู่แล้วฟังอยู่ั้งผู้อืนอน่นอย่ล้วเมิดนม่อเมื่อเย็นเมสีเมื่อตาดมากที่แค่มันดีอยู่นี้ น, นี่สติในจับจะซ่อมไปอีกพรพุทธเจ้าคนวา่าร่างกายเป็นฟองบบกีร่างยังยืนมันบยู่บทนบบคงตัวว่า คนใจเข้าสงบแล้วเขาสิ่งที่ซ้อมนี่บ่ะเนี่ยแต่เห็นที่แรกต่เห็นแต่ผู้อืนน่นหล่ะเข่าผู้อืนอๆๆน่นพวยไทผู้อื่นพอมีแฮ้เห็นแต่ผู้อื่นสายแต่กลับมากระชากโอ้หูใกล้แล้วเนี่ยโจโจจะฟ้องกับใกล้เลยเข่าล้มไปแล้วโอ้มันที่ไปไสให้นี่เท่าได้หลายเนี่ย มันกข้ันไปตายเห็นมแล้วบางทีบ่ม่มไปตาแล้วมันขีหูจักยังแสนเรียบร้อยขี้หูจับยัางแสนอะไสิเ้าเราไม่หเนี่ยจะขี้ว่หูจักเฝ้าดอกหันใจงบเราหูจักเนี่โ้มันพวกเขาค่าแลวก็เหนี่มันคือเป็้าด้วยทีางดให้นี่ที่พีีติดเทียมตัวยังไงให้หนมันติเทียมตัวว่าให้จไวอเป็บ่ตายเ่บ่ไหรอกวันต้องตายเลยแน่เทียมตัว ศึกษาทำจงสอนประติเจา้าคุณสบออ า, ายุเขาบอกาะตายเข่นหนีออกมากระโดดนี้อก อ, จ อ, อกจากอันว่งจรตายเนี่ยันจัว่าทิตย์จะได้เหลือกเข่นออกได้เนี้ย่ึนมามัดแข่อันนั่นสมักอันนี้็มักที่เเส่นบกออกไม่ใช่ขีดจังทันแท่เป็นกังวลเป็น่วงแข่ฮะนโอห้อ ห, อหลายเส้นอะวนี่นยนละไม่ใชีเริ่มการปล่อยสัว่าง เห็นหลั้งว่าผู้ใดผู้ใด เ, ด เ, เข้ามาเกิดไม่มีเนินลำเนินด้วยนี่หัวนีเนี่ยนี่พื้ดินที่นดอนนี่ซับซึมาได้หลายตายมาืดคุ้นพนว่าเอาอยังไปจักพ้นเอาไปบ่ไรเท่ากับพื้นกันทัว่าเห็นใจเลยนี่ขึ้เท่าซิมออกเลยนี่ยเพราะผู้ทีเจ้าว่าคอยโล่งว่างล่งชันแม่มนีเนี่ยเข้า่าดีๆเนี่ยแหละเด็ก ว, วนไปไวมากเป็นว่าหอดมือนี่ปเขามาไหไ้ทั้งหลายเนี่ย แนวูนี่เนี่ละมันเป็นท้าย้ามาเกิดอีขคอบงวต้ามันคอบเสียดายมันมันมาเกิดอีตายมานำ้ำฝนเหมนที่ให้เนี่ยเกิดเมื่อไรขึวตายเหรอน้ำ้นมาลเลยเนห็นพ่อต้องแตงมาหลดเดีย้นตายเออบัดดี้ฮัดคอยให้ว่างเนยะละไม่ติดสลากจนงกินเลยคิดตั ว, ไ ว, ไวต้อมใจไว้ได้ฝนตกคงศดีต้อมใจไว้เรื่อยมันจะมีกาลัง อันเทาได้กำลังไ้ดีๆแล้วเนะ่โอ้อันนี่องมีข้างรอจัดจิดจัองออกไปดอกัอนพอเหเื่อมสมบุกันระบบปองละในซีนิกนี่มีแต่โง อ, อยู่ถนนมีแต่แตแสีเอานั่นเอานี่แน่วโมเมนตัมกดของแน่วเอาบะไรก็สีเอาอยู่ถนน